เจ็ดพธมารุกษสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้สูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายต้นไม้ที่มีอยู่ในชมพูทวีปเหล่าใดเหล่าหนึง่งต้นว่าชาวโลกกล่าวว่าเลิศ ก, กว่าต้นไม้เหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปัจจียธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่ง ปัญญีนีบัณฑิตกล่าวว่าเลิกกว่าโพธิปัขจะธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโพธิปัจจยธรรมอะไรบ้างคือสัตถินรีเป็นโพธิปัขจะธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้วิรีนีละถึงสตินินรีสมาธินรีปัญญินรีเป็นโพธิปัจจยธรรม ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายต้นไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีอยู่ในชมพูทวีปต้นว่าชาวโลกกล่าวว่าเลิกกว่าต้นไม้เหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปักคียธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญีสีบัณฑิต ก, กล่าวว่าเลิกกว่าโพธิปักคียธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันปฐมมารุกสูตรที่เจ็ดจบ รูสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายต้นไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งของเหล่าเทพชั้นดาวดึงต้นปาริชาตะกะต้นทองล้างชาวโลกกล่าวว่าเลิกกว่าต้นไม้เหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปัจจัยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญีสีบัณฑิตกล่าวว่าเลิ่กว่าโพธิปัจจัยธรรมเหล่านั้น เพราะเป็นไปเพื่อความตัสรุโก็ฉันนั้นเหมือนกันโพธิปัจยธรรมอะไรบ้างคือสัตินีเป็นโพธิปัิยธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตัสรูุวิริยินีและถึงสตินีสมาธินีปัญญิ น, นีเป็นโพธิปัจยธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตัสรูุภิกษุทั้งหลาย ต้นไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งของเหล่าเทพชั้นเดวดึงต้นปาริชาตกะชาวโลกกล่าวว่าเลอกว่าต้นไม้เหล่านั้นแม้ชั้นใดโพธิปัจจยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญีสีบัณฑิตกล่าวว่าเลือกว่าโพธิปักจยธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ชั้นนั้นเหมือนกันทุติยรุกสูที่8ดจบ ติยารุขสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้สูตรที่สามภิษุทั้งหลายต้นไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งของพวกอสูรต้นจิตตปาตาลีต้นไม้ประจำพิภพอสูรชาวโลกกล่าวว่าเลือกกว่าต้นไม้เหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปัขจะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญีสีบัณฑิตกล่าวว่าเลือกกว่าโพธิปัขจธรรมเหล่านั้น เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโพธิปัจขียธรรมอะไรบ้างคือสัจจินรีเป็นโพธิปัจขียธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้และถึงปัญญรีเป็นโพธิปัจขียธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ภิษุทั้งหลายต้นไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งของพวกอสูรต้นจิตตปาตาลีชาวโลกกล่าวว่า เลิกกว่าต้นไม้เหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปัจขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งปัยินสีบัณฑิตกล่าวว่าเลิกกว่าโพธิปัจขิยธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันตติยรลุคสูตรที่เกจบ จตุทรุกขสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้สูตรที่สี่ภิกษุทั้งหลายต้นไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งของพวกครุฑต้นโกตสิมพลีไม้งิ้วป่าชาวโลกกล่าวว่าเลิกว่าต้นไม้เหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปัขจยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญีสีบันดึกกล่าวว่าเลิกว่าโพธิปัจจยธรรมเหล่านั้น เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโพธิปัจคียธรรมอะไรบ้างคือสัตธินรีเป็นโพธิปัจคียธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้และถึงปัญญรียเป็นโพธิปัจคียธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายต้นไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งของผู้ครุตต้นโกตสิมพลี ชาวโลกกล่าวว่าเลิกกว่าต้นไม้เหล่านั้นแม้ชั้นใดโพธิปักคียธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญีสีบัณฑิกกล่าวว่าเลิกกว่าโพธิปักคียธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ชั้นนั้นเหมือนกันจตุถารุขสูตรที่สิบจบโพธิปักคียวัคที่เจ็ดจบ รวมพระสูตรที่มีในวรคนี้คือ 1. สัญโยชนะสูตร 2. อนุสยะสูตร 3. ปริญญาสูตร 4. อาสวัคยะสูตร 5. ปฐมภพระสูตร 6. ทุติยภะะสูตร 7. ปฐมรุขสูตร 8. ทุติยรุขสูตร 9. ตติยรุขสูตร10 เจตุทะรุขสูตรแปดคังคาปยานละวักหมวดว่าด้วยคังคาปยานหนึ่งถึงสิบสองปาจี น, นาทิสูตรว่าด้วย อุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอินทรีย์ห้าประการทำอินทรีย์ห้าประการให้มากย่อมน้มไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพานพิกษุเมื่อเจริญอินทรีย์ห้าประการทำอินทรีย์ห้าประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัตทินสี่อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปนิโวสักคะ 2. เจริญวิริยินสี์ ละถึง 3. จเจริญสตินสี่สีเจริญสมาธินสี่หเจริญปัญญินสี่อนอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะภิกษุเมื่อจเจริญอินทรี่ห้าประการทำอินทรี่ห้ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แล ปาจีนาที่สูตรที่1ถึง12จบคังคาไปยานลวักที่8จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมปาจี น, นินัสูตรสอถึงห้า ทุติยาที่ปาจี น, นินสุตตะจตุกะ 6. กชัต t ปาจี น, นินสูตร 7. ปฐมส ม, มุท t h นินสูตร 8- ถึงสิองทุติยาที่ส ม, มุท t h นินสุตตะปัญจกะอัปมาทวักพึงให้พิสดารรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งตถาคตสูตรสองปฐสูตร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 เอสนาวักพึงให้พิสดารรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. เอสนาสูตร 2. วิทาสูตร 3. อาสวะสูตร 4. ภพะวสูตร 5. ทุกตาสูตร 6. ขีละสูตร 7. มลสูตร 8. นีขะสูตร 9. เวทนาสูตร 10. บ ตันหาสูตร11ตาสินาสูตร12โอคะวักหมวดว่าด้วยโอคะหนึ่งถึงสิบโอคาที่สูตรว่าด้วยโอคะเป็นต้น ภิกษุทั้งหลายอุท ธ, ธรรมภาคียสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูง5ประการนี้อุท ธ, ธรรมภาคียสังโยชน์หประการอะไรบ้างคือ 1. รูปปราคะสองอรู ป, ปราคะ 3. มานะ 4. อุทัตจัหอวิชชาอุทธรรมภะคียสังโยชน์หประการนี้ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญอินทรีห้าประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุรรมภักคยสังโยชน์ห้าประการนี้อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัตทิน4อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรตน้อมไปในโวสักขะละถึงห เจริญปัญญีสี่อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสัก ข, ขะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอินทรี่ห้าประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุท ธ, ธรรมภักคิษสังโยชน์หประการนี้แลโอคาที่สูตรที่หนึ่งถึง10จบพึงเพิ่มข้อความให้พิจารณาเหมือนมะขะสังยุต โอควักที่สิบสองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. โอคสูตร 2. โยคสูตร 3. อุปาทานาสูตร 4. คันธสูตร 5. อนุสยะสูตร 6. กามคุณสูตร 7. นิวรณสูตร 8. อุปาทานาขันธสูตร 9. โอรัมภาคิยสูตร 10. อุท ธ, ธ ร, รมภาคิยสูตร 13. ข้าคังคาเปยานละวักหมวดว่าด้วยคังคาเปยาน 1-12. ปาจีนาทิสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ําคงคาไหลไปสู่ที่ปราจีนเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ําคงคาไหลไปสู่ที่ปราจีนบาไปสู่ที่ปราจีนหลากไปสู่ที่ปราจีนแม้ชันใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอินทรีย์ห้าประการทําอินทรีย์ห้าประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญอินสี่ห้าประการทำอินสียห้าประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสั์ทินสี่อันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดละถึงห จเจริญปัญญนสี่อันเป็นธรรมมีการกาจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกษุเมื่อจเจริญอินสีห่หประการทำอินสี่ห้าประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แหลปาจีนาที่สูตรที่ 1-12 ถึงงจบคังคาเปยยานละวัคที่13จบ รวมพระสูตรที่มีในวร์ดนี้คือ 1. ปฐมมะปาจี น, นินะสูตร 2-5. ทุติยาที่ปาจีนนนะสุตตะจตุกะ 6. ฉัฏฐปาจี น, นินะสูตร 7. ปฐมมะสมุทธะดินะสูตร 8-12. ทุติยาที่สมุทธะดินะสุตตะปัญจกะอัปมาทวัคภลกรณียวัค และเอสนาวั์พึงให้พิสดาร 17. โอคะวัคหมวดว่าด้วยโอคะหนึ่งโอคะที่สตรว่าด้วยโอคะเป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุทธรรมภาคิยาสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงหประการนี้อุทธรรมภาคิยาสังโยชน์หประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปปราคะสองรูปปราคะสมานะสอุทตัจห้าอวิชชาอุทธรรมภาคิยาสังโยชน์ห้าประการนี้ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอินรี่ห้ประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุท ธ, ธรรมภะะยะสังโยชน์หประการนี้อินสี่หประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เจริญสัตทินสี่อันเป็นธรรมมีการกาจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุด 2. เจริญวิริยินรี์ และถึงสเจริญสติน4ี่สเจริญสมาธินสี่หเจริญปัญญินสี่อันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงจเจริญอินรียห้าประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุ ร, รมภาคยสังโยชน์หประการนี้ โอคาที่สูตรที่ 1-10 จบพึงเพิ่มข้อความให้พิดารเหมือนมัคคสังยุตโอควักที่17จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. โอคาสูตร 2. โยคาสูตร 3. อุปาทานาสูตร 4. คันทะสูตร 5. อนุสยะสูตร 6. กามคุณะสูตร 7. นิวรณสูตร 8. อุปาทานขันธสูตร 9. โอรัมพาคิยสูตร 10. อุทธรรมพาคิยสูตรอินทริยะสังยุตที่สจบ จำ ม, มประธานสังยุตหนึ่งคังคาเปยานละวักหมวดว่าด้วยคังคาเปยานหนึ่งถึง 12. ปาจีนาทิสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาหลายไปสู่ทิศปราจีนเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย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 แม่น้ำคงคาหลาไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญสัมมาประธานสีประการทำสำัมมาประธานสีประการให้มากย่อม้อมไปสู่นิพพานโนมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิก <AN> ษ <I> ุเมื่อเจริญสัมมาประธานำสำีประการทำสัมมาประธานสีประการให้มาก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 ภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญสัมมาประธานสี่ประการทำสัมมาประธานสีประการให้มากย่อมน้อมไปสูนนนปส่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แหลปาจีนาที่สูตรที่หนึ่งถึงบข้จบางคาไปยาลวัคที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวรนี้คือ 1. ปฐมมปปาจีนีนาสูตร สองหทุติยาทิปาจินนิณสุตตะจตุกะ 6. ฉัฏฐปาจินนิณสูตรปฐมมสมุทธานิณสูตรแปดทุติยาทิสมุทธานิณสุตตะปัญจกะข้างคาเปยานแห่งสัมมประทานสังยุตพึงให้พิสดารด้วยอำนาจสมมประทาน 2. อัปมาทวักหมวดว่าด้วยความไม่ประมาทรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ตถาคตสูตร 2. ปะทะสูตร 3. กูตสูตร 4. มูลสูตร 5. สารสูตร 6. วสิกะสูตร 7. ราชาสูตร 8. จันทิมะสูตร 9. สุริยสูตร 10. วัตถุสูตรอาปมาทวักพึงให้พิดารด้วยอำนาจสัมมปทานอาปมาทวักที่สองจบ 3. พละกรารนียวักหมวดว่าด้วย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 อาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญสัมมาประธานสี่ประการทำสัมมาประธานสี่ประการให้มากภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญสัมมาประธานสี่ประการทำสัมมาประธานสี่ประการให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างชันทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่น เพื่อป้องกันบาปอากุนสธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นสองสร้างฉันทะพยายามปราลบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุณสมธรรมที่เกิดขึ้นแล้วสามสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำคุณสมธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นส สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพบู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญสัมมาประธานสีประการทำสัมมาประธานสีประการให้มากอย่างนี้แล พระกรณียาที่สูตรที่1นึถึงสิจบพระกรณียวักพึงให้พิจารณาด้วยอำนาจสัมมประทานอย่างนี้พระกรณียวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. นึพระสูตร 2. อพีเชสูตร 3. นาคสูตร 4. ีรุกขสูตร 5. กุมพสูตร 6. สูขสูตร เจ็ดอากาศาสูตรแปดปฐมมะเมฆสูตรเก้าทุติยะเมฆสูตรสิบนาวาสูตรสิบเอ็ดอาคันตุกะสูตรสิบสองนาทีสูตร เอสนาวัหมวดว่าด้วยการสแสวงหา1นึถึงสิเอสนาที่สุดตัทสกะว่าด้วยพระสูตรสิบสูตรมีเอสนาสูตรเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิสูตทั้งหลายการสแสวงหาสามประการนี้การสแสวงหาสามประการอะไรบ้างคือ 1. การสแสวงหาการสองการสแสวงหาพบ 3. การสแสวงหาพรหมจรรย์การสแสวงหาสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสัมมาประธานสประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละการสแสวงหาสามประการนี้สัมมาประธานสประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่น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 เพื่อความสิ้นไปเพื่อละการสแสวงหา3ามประการนี้เพิ่มเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิดารเอสนาที่สูตรที่1ถึง10จบเอสนาวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. เอสนาสูตร 2. วิทาสูตร 3. าอาสวะสูตร 4. ภวะสูตร 5. ทุกตาสูตร 6. ขีละสูตร 7. มลสูตร 8. นีขสูตร 9. เวทนาสูตร 10. ตันหาสูตร 11. อตัศินาสูตร หมวดว่าด้วยโอคะหนึ่งถึงสิโอคาทิสูตรว่าด้วยโอคะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุท ธ, ธรรมภาคียสังโยชน้าประการนี้อุท ธ, ธรรมภาคียสังโยชน้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปปราคาสองอรู ป, ปราคะ 3. มานะสอุทัจจ ห้าอวิชาอุด ธ, ธรรมภากยสังโยชน์ห้าประการนี้ภิกสุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสัมมประธานสี่ประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุด ธ, ธรรมภากยสังโยชน์ห้าประการนี้สัมมประธานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกสุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างชันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอคุนธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นละถึงสี่สร้างชั้นทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพยบู์เจริญเต็มที่แห่งคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสัมมาประธานสีประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธรรมภคิยสังโยชน้ประการนี้พึงเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิสดารโอคาที่สูตรที่ 1-10 ถึงจบโอควักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. โอคาสูตร 2. โยคาสูตร 3. อุปาทานสูตร 4. คันทะสูตร 5. อนุสยสูตร 6. กามคุณนสูตร 7. นิวรณสูตร 8. อุปาทานขันธสูตร 9. โอรัมพาคิยสูตร 10. อุทธ ร, รมพาคิยสูตรสัมมประธานสังยุตที่5จบ หพระสังยุตหนึ่งคังคาไปยานลวัหมวดว่าด้วยคังคาไปยานหนึ่งถึงสิบสองพระทิสูตรว่าด้วยพระเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระห้าประการนี้พระห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งศรัทธาพระกําลังคือศรัทธา 2. วิรยิยะพระ กำลังคือวิริยะสสติภละกำลังคือสติสสมาธิภละกำลังคือสมาธิ 5. ปัญญาภละกำลังคือปัญญาภละห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาที่ไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 อาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะสองเจริญวิริยพละละถึงสามเจริญสติพละสี่เจริญสมาธิพละห้าเจริญปัญญาพละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะภิสษุทั้งหลายภิสษุเมื่อเจริญพละหประการ ทำพละห้าประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลพะละที่สูตรที่หนึ่งถึงสองจบคางคาไปยานละวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งปฐมมาปาจี น, นิณสูตรสองถึงห้าทุติยาที่ปาจี น, นิณสุตตาจตุกะห ชาบาจินินสูตรเจ็ดปฐมสมสมุทธานินสูตรแปดถึงสิบสองทุติยาที่ส ม, มุทธานินสุตตะปัญจกะอัปมาทวักพึงให้พิสดารรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ตถาคตาสูตร 2. ปัปสูตร 3. กปูตสูตร 4. มูลสูตร 5. สารสูตร 6. วสิกะสูตร 7. ราชาสูตร 8. จันทิมะสูตร 9. สุริยะสูตร 10. วัฏสะสูตรพระกรณียวัคค์พึงให้พิสดารรวมพระสูตรที่มีในวรนี้คือหนึ่งพระสูตรสองพีชะสูตรสนาคสูตรสรุขสูตร 5. กุมพสูตร 6. สูขะสูตร 7. อากาศสูตร 8. ปดฐมมะเมฆสูตร 9. ทุติยะเมฆสูตร 10. นาวาสูตร 11. ออาคันตุกะสูตร 12. นาทีสูตรเอสนาวักพึงให้พิสดารรวมพระสูตรที่มีในวร์นี้คือ 1. เอสนาสูตร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 หมวดว่าด้วยโอคะ1ถึง10โอคะที่สูตรว่าด้วยโอคะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุท ธ, ธรรมพาคียสังโยชน้าประการนี้อุท ธ, ธรรมพาคียสังโยชน้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปปราคาสออรูปปราคะ 3. มานะ 4. อุทจจะ หาอวิชาอุตธรรมภาคียสังโยชน์หประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญพระห้าประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุตธรรมภาคียสังโยชน์หประการนี้พระห้าประการอะไรบ้างเคยภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญศรัทธาพระอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสัก ข, ขะ 2. เจริญวิริยะพละ 3. เจริญสติพละสี่จเจริญสมาธิพละ 5. เจริญปัญญาพละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมเปในโวสักคะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงจเจริญพละหประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไป เพื่อละอุธรรมภาคิยสังโยชน์ห้าประการนี้แหละพึงเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิสดารอย่างนี้ 6. คขังคาไปยานละวักหมวดว่าด้วยคังคาไปยาน 1-12 ถึง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 ย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญพระห้าประการทำพระห้าประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญศรัทธาพระอันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดละถึง หาเจริญปัญญาภะอันเป็นธรรมมีการกําจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญพละห้าประการทำภะห้าประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลพึงเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิสดารปาจีนาทิสูตรที่หนึ่งถึงสิจบ คลังคาไปยานลวักที่หกจบรวมพระสูตรที่มีในวคนี้คือหนึ่งปฐมมาปาจีนีนะสูตรสองถึงหทุติยาที่ปาจีนินะสุตตะจตุ ก, กะ 6. ฉัฏฐปาจีนีนะสูตร 7. ปฐมมาสมุทธาณีนะสูตร8ปดถึงสสองทุติยาที่สมุทธาณีนะสุตตะปัญจกะอัปมาทวัก พละกรณียวั์พึงให้พิศาราลกเอสนาวัคหมวดว่าด้วยการสแสวงหา 1-12. เอศนาทิสูตรว่าด้วยการสแสวงหาเป็นต้น บาลีแห่งเอสนาวัค์พึงให้พิสดารจนถึงธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดอย่างนี้เอสนาวัคที่เก้าจบรวมพระสูตรที่มีในวร์นี้คือหนึ่งเอสนาสูตสองวิทาสูตรสอาสวะสูตรสภวะวสูตรหปฐมมทุกขสูตรห ทุติยะทุขสูตรเจ็ดตติยะทุขสูตรแปดคีละสูตรเก้ามละสูตรสิบนีขสูตรสิบเอ็ดเวทนาสูตรสิบสองตันหาสูตร ขวักหมวดว่าด้วยโอคะหนึ่งถึง10โอคาที่สูตรว่าด้วยโอคะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุท ธ, ธรรมภาคยสังโยชน์5ประการนี้อุท ธ, ธรรมภาคียสังโยชน์5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปปราคาสออรูปปราคาสมมานะ 4. อุทธธัจจะ หาอาวิชชาอุทธรรมามภากคียสังโยชนห้ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญพระหประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธรรมามภากคียสังโยชนห้ประการนี้พระห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เจริญศรัทธาพละละถึง5เจริญปัญญาพละ อันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญพละห้าประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุด ธ, ธรรมภาคิยสังโยชน์ห้าประการนี้แลโอคาที่สูตรที่หนึ่งถึงสิบจบรวมพระสูตรที่มีในวรกนี้คือ 1. โอคสูตร 2. โยคสูตร 3. อุปาทานสูตร 4. คันทสูตร 5. อนุสยสูตร 6. กามคุณสูตร 7. นีวรณสูตร 8. อุปาทานขันทสูตร 9. โอรัมพาคิยสูตร 10. อุทธรรมพาคิยสูตร 5. พระสังยุตที่6จบ